เทศอบรมพระวันที่หนึ่งพฤศจิาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดมากดีมากควรอัดเฉพาะพระเท่านั้นขรวาสไม่ควรอัดเทศพระไม่นิยมชาติชั้นบรรณะแต่นิยมความเป็นพระและ อยู่ด้วยกันตามหลักธรรมวินัยอันเป็นความสงบสุขร่มเย็นต่อกันประหนึ่งอวัยวะเดียวกันมรรคผลนิพพานไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้นได้ทุกอิรยิยาบถการสถานที่ไม่ใช่ยักษ์ผีพอที่จะกลืนเอามรรคผลนิพพานสิ่งที่กลืนมรรคผลนิพพาน คือกิเลสตัณหาเป็นผีแต่ละตัวที่กลืนมรรคผลนิพพานไปจากเราเพราะมันอยู่ในหัวใจเราครั้งโน้นท่านไปโปรดสัตว์มาครั้งนี้กลายเป็นสัตว์โปรดเราเพราะกิเลสเต็มหัวใจเป็นนักสังสมทิตธิก็จัดยิ่งกว่าโลกเสียอีกกันนี้เทศเรื่องเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของฝ่ายตรงข้ามนั่นแหล เป็นค่าสึกย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดกันนี้ปลุกใจดีมากฟังได้แต่ห้ามอัดออกสู่ภายนอกเพราะธรรมะเฉพาะพระจริงมาให้สังรคเมื่อี ทุกๆ ท, ท่านมาเพื่ออัจเพื่อทำความมุ่งมาเพื่ออาจเพื่อทำตรงกับหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อมาผลมิพานแก่บรรดาสัตว์มีฝ่ายพิสุเป็นตน เจตนาของผู้บวชกับเจตนาของผู้สั่งสอนหรือเจตนาของชวพุทธเจา้าเข้ากันได้เลยนะผลที่แสดงออกย่อมเป็นความสมบูรณ์ ิริยาที่แสดงออกของผู้มีเจตนาเป็นสีเป็นธรรมอย่างเต็มใจอยู่แล้วนั้นจะเป็นิริยาที่น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่แสลงหูแสลงตาในเวลาพูดหรือกิริยาของการที่แสดงออกเป็นไปเพื่อความสวยงามเป็นไปเพื่อเหตุผลอย่างการพูดทุกๆประโยคเหนือการฟัง การพูดการสุทนาระหว่างพระด้วยกันซึ่งเป็นผู้มุ่งตอความจริงด้วยกัน <c oughs> ก็พูดอย่างมีเหตุมีผลพูดไม่ยึดไม่ขือยึดถิมานะความสูงต่ำปลอดความรู้วิชาวงสกุลไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ่งนอกจากหลักความจริงที่จะพึ้งได้รับ จากกันในกันในขณะที่สนทนาหรือพูดจาปราศัยจึงกันละกันในครั้งพุทธการท่านกอแสดงไว้แล้วมกาเลนะธรรมสาธรรมสากัจฉาเอตัมมังคามุตตังการศึกษาสนทนากันตามการตามเวลาในบรรดาธรรมทั้งหลายนั้น ท่านเป็นมงมงคลอันสูงสุดมาในสนทนาไม่ได้คุยกันแบบอวดรู้อวดฉลาดว่าตนได้เรียนมากเรียนสูงมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วเอาความสําคัญในชั้นผุ่มนั้นมาเป็นตัวของตัวมาเป็นเยตติยศชื่อเสียงมาเป็นความรู้วิชามาเป็นทิฏฐิมานนะแล้ว แสดงออกเพื่อความกระทบกระเทือนจากจิตใจของตนแล้วก็ทำให้กระเทือนจิตใจของผู้ฟังซึ่งไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่ไม่ใช่ธรรมสากระชาตามหลักมงคลที่ท่านแสดงไว้มงคล38มสพูดได้พูดก็ตาม ผูพ้พูดก็พูดเพื่ออัดเพื่อทำพูดเพื่อความจริงผู้ฟังก็ฟังเพื่ออัดเพื่อทำฟังเพื่อความจริงด้วยกันพูดกันเท่าไหร่ฟังกันเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ยิ่งได้รับผลประโยชน์เป็นระนดับไม่เฝอคำพูดก็ไม่เฝอการฟังก็ไม่มากไปอาจจเรียก่าเอตมังคารมุตมังมีเรา ทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆล้วนมีอุปชาอาจารย์ด้วยกันทุกคนลูกเกิดขึ้นมาต้องมีพ่อมีแม่พระที่บวชมาก็ต้องมีอุปชากรรมวาจาไปนอกจากนั้นยังได้รับการอบุมตามสถานที่ หรือโอกาสมีความรู้วิชาของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มาเหมือนๆกันเป็นแต่ความหนักเบามากน้อยนั้นอาจมีต่างกันอยู่บ้างซึ่งขึ้นอยู่กับผู้อกรมการมาอยู่ด้วยกันหลายท่านหลายองค์แต่ละองค์นั้นมีจริตนิสัยต่างๆกันเป็นรายๆไปไม่ซ้ำกัน แม้จะมีนิสัยเกี่ยกวกับนาณาจิตต่างมีความรู้สึกในแน่ต่างๆปิดกันตลอดถึงจิยามอาการที่แสดงออกต่างกันก็ต่างแต่สิ่งที่รวมกันได้ให้สนิทได้แก่ศีลได้แก่ธรรมใครจะมีอากับกิริยาจริตนิสัยอย่างไรก็ตามมีธรรมเป็นเรื่องยืนยันเครื่องรับรอง เรื่องดำเนินเรื่องปฏิบัติย่อมอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกไม่มีที่เกิด ค, ความรักแค่ระคายขึ้นขนาดให่ว่าองคนั้นทำอย่างนั้นองค์นี้ทำอย่างนี้จนถึงกับเกิดความทะเลาะเบาแว้กกันขึ้นอย่างนั้นไม่มีเพราะความทะเลาะเบาแหวงนั้นเป็นสาเหตุมาจากทิฏฐิมานะความไม่หลง ไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิดรวมกันแล้วค่อยเรียวกว่าผิดทั้งสองฝ่ายจึงต้องทะเลาะกันหากฝ่ายหนึ่งยังดีฝ่ายหนึ่งผิดก็ผิดคนเดียวฝ่ายดีก็รักษาความดีด้วยความเป็นธรรมไว้เสียเรื่องก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทก็ไม่มีแต่เมื่อมีการทะเลาะวิวาทขึ้นแล้วจะว่าใครดีใครถูกนั้นย่อมพูดไม่ได้ นอกจากจะพูดหรือมีส่วนหนักเบาต่างกันพูเป็นต้นเหตุทำให้คนอื่นได้รับความขอโทษเทือนถึงต้องถึงกับต้องทะเละบ่อแวงกันนะผู้ น, นั้นมีโทษหนักหรือมีความผิดมากกว่าผู้ที่สองมากกว่าพูดกรณีกะพูดทะเลาะวิวานถ่าต่างองต่างมีทํา มุ่งหลักความกินเป็นหลักใจอยู่แล้วนั้นเรื่องดังกล่าวนี้จะให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะต่างคนต่างองค์ดูจิตใจของตนอยู่เสมอใจเป็นที่แสดงออกแห่งเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆผิดถูกด้วยดีเจ้าของเป็นผู้รักษาคอยกำกับดูแล ด้วยความมีสติยอมจะทราบการแสดงออกของกิดแม้แต่เพียงคิดเฉยๆก็พอทราบได้ว่าผิดถูกดีชัว่วประการใดหมายถึงกับต้องแสดงออกมาทางกิริยามายายให้คนอื่นได้เห็นความเป็นผู้จงวดขวดขันระมัดระวังรักษา ความเพลินไหวของใจที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวอยู่เสมอด้วยกันอยู่แล้วเรื่องอะไรอะไรจะไม่เกิดเพราะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นค่าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกๆ ท, ท่านอยู่แล้วไหนเราจะไปส่งเสริมสิ่งที่ผิดนั้น ออกมาอย่างออกหน้าออกตาถึงกับเกิดการทะเลาะบอกแวงกันขึ้นซึ่งเป็นความอยากไม่สมควรแจกผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อทำอย่างแท้จริงเลยหยือว่าขวางกันอย่างจีิงกันนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นแต่การกล่าวทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะต้องพูดทั้งดีทั้งั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งความสงบและความไม่สงบ เป็นไปมาเพราะอะให้เด็กเข้าใจกันไว้ลูกศิทธตถากฎมีกี่องค์ก็เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันมีความรักความสนิทกันยิ่งกว่าวงในทั้งหมดวงลูกศิทธัตถาตนี้เป็นวงอักวงธรรมเป็นวงที่ไม่อกไม่ใจได้เพราะตนเป็นผู้เชื่อตนเองแล้วโดยธรรม เมื่อตนเองเป็นผู้เชื่อเป็นผู้มั่นใจตนเองด้วยธรรมภายในตัวเองอยู่แล้วการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ผิดจะให้เป็นไปด้วยเจตนานั้นไม่มีเลยนอกจากความผิดคลาดบ้างเรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ผู้เกี่ยวข้องก็ซึ่งเป็นนักธรรมะด้วยกันก็ต้องให้อภัยกันและผู้นี้ก็ต้องเห็นโทษแห่งการกิริยายแสดงออกอันไม่ดีของตนไม่ ให้ผิดอีกในข้อที่ทราบแล้วรู้แล้วนี้ว่าเป็นความผิดนี่สันติธรรมก็เป็นขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นฐานวงใดที่จะมีความเหนียวแน่นมั่นคงเป็นที่ไว้ใจได้ทั้งตนเองและหมู่เพื่อนด้วยกันตลอดถึงผู้อื่นไม่มีวงใดจะยิ่งไปกว่าวง ลูกสิตธาคตคือภิกษุบริษัทธเนี่ยากล่าวถึงเรื่องที่อยู่ด้วยกันจะมาจากชาดิชั้นวันนาใดฐานนาใดก็ต า, ามนั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนำมาคิด เพราะเป็นเรื่องของโลกที่เขาถือกันอย่างงมงายง่ายเรื่องที่นํามาคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและความร่วมเย็นในหมู่เพื่อนด้วยกั น, น, นก็คือทานรวมทั้งหมดที่มาอยู่ด้วยกันนี้คือมนุษย์ด้วยกัน ใครจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดมาจากสกุลใดประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหาที่ทาหนิหรือที่บกพ่ขของไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์แล้วบวชเข้ามาในพระศาสนาจากอุปชายะใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้สมมุติ มันขึ้นแล้วด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมหลักวิ น, บบนัยและการบวชถูกต้องตามหลักพระวินัยโดยสมบูรณ์ตามขั้นของสมมุตินั้นๆแล้วก็ยอมเป็นธาตโดยสมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมานสังวาสคือมีความอยู่เสมอความเป็นอยู่เสมอกันไม่นิยมว่าชาติชั้นวรรณะสูงต่ำปรการใด เมื่อสาคยะบุตรพุทธกินโรตนโรตคือนักบวชนักปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าได้ดำเนินตนไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นฐานสุขสบายตนเองก็ไม่ขวางตัวเองภ า, ายใน จ, จิตใจคนอื่นก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทอือน อาหารปัจจัยมีมากน้อยแยกจายกันเฉลี่ยเผื่อแผ่กันให้ทั่วถึงด้วยความจงรักภักดีต่อกันด้วยความเมตตาความสงสารเห็นท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านน้ำหนักแห่งคุณค่ามีเท่ากันลิ้นปากท้องมีความจําเป็นเท่ากันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความจําเป็นเสมอกันในเรื่องชนี้เพราะฉะนั้น การจัดการแจกอาหารการสตุปปฏิจัยเทวฐานที่บ้านได้มาจากที่ต่างๆด้วยความเป็นธรรมนั้นจึงนําไปแจกแบ่งให้ถูกต้องโดยความเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่เขามาให้มาด้วยความเป็นธรรมกระมําเสมอกันไปหมดนี่คือความผาสุก ข, ของพระเราออกจากะกุลใดมาก็ตา่าง สกุลนั่น น, นไม่นําเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระให้มีแต่เรื่องของพระล้น่นล้วนแล้วอยู่เป็นผาสุถ้านําวง น, นําสกุลนํนนะนำชาติวัฒนะนําวิทยฐานะความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนั่นแหละคือตัวไฟมันมาเผาหัวใจตนเองทําให้เย้อยิ่งจองหองแล้วเหยียบย่ำทําลายผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามผูอื่น ลงได้อย่างไม่ภาดไม่ฝันนั่นคือสิ่งที่จะทำความแตกร้าวแกกันการให้เกิดขึ้นเพราะมีความหลงล้ำต่างสูงเกิดขึ้นในวงแห่งพระซึ่งเป็นวงสมารสังวรคือความเส ม, มอภาคอย่งกันกัรโดยสมบูรณ์รยอยู่แล้วพระพุทธเจ้ า, ท, า ท, รทรงถือนักหนาธรรมะตรัตแม่นำชาชันวันนะ วิทยะฐานะความมั่งมีดีจนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระใครเข้ามาบวชในศาสนาเป็นลูกศิษย์ถาคต์ทั้งหังนับตั้งแต่พระราชมหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดานั่นเราแยกไปเฉยเป็นสมมติแต่ละแง่ละแง่ลักหญ่ก็คือความเป็นมนุษย์ด้วยกันโดยสมบูรณ์แบบแล้ว บวชขึ้นมาเป็นพระเป็นเนนก็ต้องเป็นพระเป็นเนนสมบูรณ์แบบถ้าอุปชาหรือการบวชนั้นถูกต้องตามหลักธรรมอย่งางวินัยที่ทรงบัญญาตไว้แล้วเลีงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อต่างองค์ต่างอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีระแคะร า, าคายซึ่งกันและกันแม้เป็นเหมือนนวัยวะเดียวกันอยู่แล้ว การประกอบความเพียรทุกแง่ทุกมุมทุกอิยาบททุกอาการแห่งความเพียรที่เราจะดังเนินตามความถนัดใจยอมเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่มีนิวรณ์เครื่องหีดขวางหรือขัดขวางพนาจิตใจเพราะอารมณ์อันไม่ดีงามซึ่งเกิเดเกี่ยวข้ของกับหมู่เพื่อนเข้าไปรบปวนจิตใจก็สงบได้ง่าย เนื้องต้นตในกล่าลวเรียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงด้วยพระเจตนาอันบริสุสิ์เต็มที่ไม่มีเจตนาของผู้ใดจะบริสุทธิ์เต็มไปด้วยพระเมตตาเหมือนพระเจตนาของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งต่อสัตว์โลกโดยส่วไม่มุ่งต่อโลกามิษฎใดๆแม่น้อยเลย ผู้บวชเข้ามามีความมุ่งหวังเพื่ออาดเพื่อทำเพื่อมรักผลนิพพานตามพระเจตนาที่ทรงแสดงออกคือการประกาศประกาศาสนาไว้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับมรดกตามาศาสนาธรรมที่ประทานไว้เ็่คขั้งพุทธการท่านว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดา องนั้นสาเร็จพระสะกิทาคาองค์นั้นสาเร็จพระอนาคาองค์นั้นสาเร็จพระร า, ราหารัสหันอยู่ในสถานที่นั้นที่นั้นเช่นในป่าในเขาในถ้ำเหมืมอผาเป็นต้นนี่คือท่านผู้ ต, ตักตวงเอามรรคผลนิพพานตามหลักสวดคาธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสนา เป็นธรรมชาติที่ทรงคุณค่าไว้โดยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลฝ่ายเหตุก็ทรงแนะนำสั่งสอนไว้โดยถูกต้องไม่มีแงใดที่จะผิดเพี้ยนไปอันเป็นเหตุที่จะให้ขัดต่อผลซึ่งจะพึงเกิดขึ้นไม่ได้เหตุเป็นทาเป็นทางเดินเปิดทางให้ผลปรากฏขึ้นเกิดขึ้นโดยลาดับของผู้ปฏิบัติถูกตามเหตุคือประการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบหังท่านกล่าวไว้ว่าสุปฏิปันโนอุชุญาเนี่สามีอิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลักนยียญาแะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อมรักผลนิพพานคือเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของตนออกไปโดยลำดับด้วยญาเะปฏิบัติ สามมกี่ปฏิบัติสวยงามมากน่ากราบว่าบูชาตนเองก็หาที่ตาหนิตนเองไม่ได้แล้วคนอื่นจะมาตาหนิดได้อย่างไงที่ตนเองตําหนิตนเองไม่ได้ไม่ใช่ตนตนเป็นผู้เสียสรนตัญญาตนว่าดีไปเสียทุกอย่างทั้งๆสิ่งนั้นไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นคือตําหนิตนเองไม่ได้ด้วยการปฏิบัติว่าได้ผิดเพี้ยนจากหลักธรรม่ในข้อไหนไปไม่มีเลย มีแตครงแนวไปตามหลักทำหลักหรืไหนนั่นหละตนเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นแม้เขาจะมาตำหนิติเตียนก็มันเป็นเรื่องของปากคดไม่มีระมาณหัวใจโลกหาประมาณไม่ได้เมื่อหัวใจหาประมาณไม่ได้แล้วเครื่องมือที่จะนำมาใช้เช่นปากเป็นต้นกิริยาที่แสดงออกจะหาประมาณได้หเราไม่ถือมาเป็นกฎเกณฑ์ หลักหรือกฎเกณฑ์ของเราที่ปฏิบัติดำเนินและถวายชีวิตจิตใจไหวอยู่เป็นประจําทุกลมหายใจของเราเรียกว่าเป็นพื้นในหัวใจของเราอยู่แล้วนั้นคืออะไรก็คือพุทธทางธรรมัง ส, งงสังขังสังขฉามเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นชีวิตจิตใจฝากเสื่งฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้กับพระธรรมเราไม่ได้ฝากไว้กับ ปากหรืรยปีญายาญาต์ของโลกที่หาประมันมาได้จิพอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตำหนิทีชิ้นหนึนง่งถาโลกกระทำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกเราเรียนธรรมะเราต้องให้รู้เรื่องของโลค ก, กระทำซึ่งมีอยู่ในโลกเช่นเดียวกับธรรมดีชั่วมีอยู่ในโลกจะไม่ให้มาสัมผัสสัมพันธ์เราเป็นกันมได้นอกจากเราจะพิจรารณา แก่ไขจื่งนั้นไม่มาแปดเปื้อนปนากในจิตใจจื่อสมกับคำว่ารักษาตนเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นไม่มีปัญหาใดๆที่จะขึ้นอยู่กับไปเกี่ยวข้องกับธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าบกพร่องส่วนใดบ้างแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติคือพวกเราเอง ไม่มีที่อื่นเป็นที่ตําหนิถ้าตําหนิต้องตําหนิตัวของเราเองจะประตำหนิการตําหนิสมัยว่ากลืนเอามรรผลนิพพานไปหมดจนไม่มีเหลืออยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกจะประตำหนิสถานที่ว่ากลืนเอามรรผลนิพพานไปหมดพระพุทธเจ้านิพพานอยู่โน้นแล้วมรผลนิพพานหมดไปแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วโน้น สถานที่นั่นไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีพอที่จะคืนมรรคผลผนิพพานสิ่งที่คืนมรรคผลผนิพพานนั่นคืออะไรผีตัวสําคัญก็คือความก็คือกิเลสความโลภ ก, ก็เป็นผีตัวหนึ่งความโกรธเป็นผีตหนึ่งความรุ่มหลงงมงายเพื่อเพื่อสพเป็นผีตัวหนึ่ ง, า ร, ง, ร, ง, ง, ง, างราคะตัณหา แต่และอย่างไม่อย่างเป็นผีตัวหนึ่งผีเหล่านี้แหละที่กกืนมรรคผลนิพพานไม่โทรออกมาได้เลยจนจมมิตรไม่มีเหลือแล้วผีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งถูกสะอาแข่งจากพระพุทธเจากและสาวกทั้งหลายจนกระทั่งมีในพระโอวาสสอนให้ชำร ะ, ะต่างางให้ปราบปรามสิ่งเหล่านีนน้มันอยู่ที่ไหนเวลานี้ ก็อยู่ที่หัวใจของเราทุกๆุกท่านเมื่อเราเห็นธรรมะของเมื่อเราทราบแล้วว่าธรรมะท่านทรงตำแหน่งสิ่งเหล่านี้และชงสั่งสอนให้แก้ไขถอดถ อ, ถอหรือปรากปรา บ, ราบด้วยวิธีการใดเราต้องพยายามทาตามวิธีการนั้นไม่ลดละท้อถอยถ้าต้องการมรรคผลนิพานไม่ต้องการผีคือพิเล็เหล่านั้น มาคืนหัวใจเราซึ่งเป็นของมีคาม่ามากให้หมดคุณค่าไปโดยลำดับๆจนเป็นโมฆะพิสุขเราต้องพยายามมีความเข้มแข็งเป็นสำคัญทำสิ่งใดให้มีความจริงจังมีเจตนามีสติอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นอย่าทำศัพ์แต่ว่าทำเอมองตา้อยหิดรอย อย่างนั้นไม่ใช่จริยาของพระผู้เป็นสิตทธาคก็จะนำหน้าไปสิทธาคก ต, ต้องเป็นผู้มีสติระมรัดระวังภาวนาธรมบทใด่ให้มีสติจดจ่ออยู่กับทมบทนั้นไปที่ไหนให้มีสติอยู่กับตัวเดินไปบินทบาทก็เท่ากับเดินตรงๆไม่สนใจจะคุยอะไรๆกับใครทั้งนั้น นอกจากดูหัวใจที่แสดงอาการอย่างไดขึ้นมาซึ่งส่วนมากก็มีแต่ส่วนสังสมจิตมันแสดงขึ้นมาอยู่เสมอนในเวลาที่เผลอเราเผลอสติยังต้องระมัดระวังเดินจงกลมไปบินทบาทในบ้านอันทีเรียกว่าโคจรบินทบาทครั้งบุตการท่านออกไปโปรดสัตว์ ทำไมจึงเรียกว่าไปโปรดสัตว์ก็ว่าท่านเหล่านั้นพระพุทธเจาา พ, พระหรหัตหารท่านเป็นพระผู้ประเสริฐควรแก่การโปรดศัพท์ได้โดยสมบูรณ์ไปที่ไหนก็เป็นสิริมงคลแก่หูแก่ตาของเขาได้กล่าวว่าบูชาได้เห็นเป็นขวัญใจแล้วได้ทำบุญให้ทานกับท่าน เป็นสี่มงคลแก่เขาทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์จึงสมนามว่าโปรดสัตว์จริงๆเพราะท่านไม่มีอะไรอปเ็นตมาสก็ไม่มีความโลภในอาหารแทรกแซงขึ้นภายในจิตเลยไปตามการตามเวลาไปตามความจำเป็นของเหตุของผลของอัตถธรรมและธาตุขันยังอาหารมา บริโภคกดฉันให้พ อ, อย่างชีวิตให้เป็นไปในวันหงวันหนี่งนีว่ายาปนนมันจักแต่ว่าเยียวยากันไปเท่านั้นนี่เรียกว่าโปรดัตได้โดยสมุทสมัยทุกวันนี้มันโกงกันทำแนะ่นเราอยากเข้าใจเพราะงั้นเราจึงไม่กล้าจะพูดว่าไปโปรดสัตได้เหมือนข้างพุทธกา ไปให้สัตว์โตรตนั่นถูกเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งกิเลสเต็มตัวสกรปรกรวกองุงหลังความโลภ ก, ก็ไม่ผิดกับคารวาสเขาดีไม่ดีความโลภมากกว่าคารวาสเขาอย่างลึกลับเหมือนไฟไม่เปลดถ้าองค์หนึ่งหนึ่งมีเงินเป็นจนวนแสนแสนล้านล้า น, านด้วยการสังสมไม่สนใจที่จะสลับบริจาคให้ทางเพื่อเพือพ่อนมนุษย์ผู้รับความทุกข์ควาอยากลำบาก ไฮสม์กับว่าเป็นลูกศิษย์ากพศผู้เต็มไปด้วยจิตเมตตายความโลภ ก, ก็กลายมากของเขาความโกรธใครมาแตะไม่ได้พระเป็นตัวที่มีทิฏฐิติมานะจับที่สุดเพราะอาศัยศีลหรืออาศัยความเป็นครามาเป็นโลบังหน้าแล้วสนุกสังสมกิเลสสนุกสังสมทิติมานะขึ้นมาด้วยยศถาบรรดาศัก เป็นพระแล้วยังไม่แล้วยังเป็นพระครูบันไปดีการเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราหลงเมื่อไหรก่ก็นั้นแหละตัวเสนีย์ตนในมันอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปโปรดสัตว์ได้ยังไงเพราะเขาสัดว์เขาโปรดเราบินถ้าตัก็แย่งกันยิ่งกว่าสุนัขเราพูดตามหลักความจริงที่เห็นที่รู้อยู่กับตาอันนี้ใครปฏิเสธไม่ได้เดินเข้าไปในกรุงเทเพก็รู้ เราจะไม่บอกอย่านนั้นย่านนี้มันมีแล้วมันดูได้มา <S <S นั่นแหละถ้าใจไม่มีธรรมชี้อย่างเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์ทั้งๆที่ผ้าเหลืองห่อตัวพุ้มตัวอยู่นั่นน่ะว่าตัวเองก็สําคัญว่าตนเป็นพระพระทำอย่างนั้นได้อย่างไรนี่มันก็ทำได้เพราะที่เลสพาให้ทําความโลภพาให้ทํำกันทิฏฐิมานะก็จัด ใครจะสั่งสมจิตถิมันะอย่างลึกลับจักยิ่งกว่าพระพระาะญาติโยมเขาจะพูดอะไรก็ไม่อยากพูดเพราะเห็นแต่พระเห็นผ้าเหลืองติดตัวเขารบผ้าเหลืองฮู้ที่เอาผ้าเหลืองเป็นโล่บางหน้าก็ฉนกสั่งสมความชั่วช้าหลามกขึ้นใส่ตัวของตัวไม่มีความรู้สึกตัวเลยอย่างนี้จะเรียกว่าไปโปรดสษ์ได้อย่างไรเอาอะไรไปโปรดเา้า ทำแม่นิดเดียวก็ไม่มีนาจัยถ้ามีนาจัยไปแย่งกันทำไหมเวลาบินสบายไม่ใช่หมาแย่งกัดกันแย่งอาหารกันเท่านั้นเรียกว่าโปรโดได้ยังไงต้องเรียกว่าเขาโปรโดถึงจะถูกนี่มันกรงกันข้ามแด้เลยออ้าวถ้าพระเราตั้งใจควชปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยที่สถาโคตรจงสั่งสอนไว้โดยชอบธรรมและพระเมตตาล้วนๆ น, นี้แล้ว ถ้าจะจนถ้าจะตายเพราะไม่มีใครให้ทานก็ขออให้ดูสถีให้ได้เห็นศาสนาของพระเจ้าที่สอนไว้ว่าโดยถูกต้องนั้นจะขัดแย้งกับอันนี้ไหมบิณฑบาตไปด้วยอดด้วยธรรมไม่มุ่งหวังอาหารลาบยศอะไรทั้งนั้นแหละไปตามอดตามธรรมโคโจรบิณฑบาตดาังท่าน แสดงว่าแบบปิญญาโลภโกชนางนิสตาแบบประปชาแตา่เตยาวจิวังสร้างห้องอะไรนีอยู่าาท่านประชาพ้นหมดแล้วท่านทา ง, ทางหล้ยเกิบินทะบาทมาฉันด้วยกำลังปีแค่งของตนและพึงทำอย่างอุตสาห์ทำทางอุตสาห์ไปตลอดชีวิตถึงเพราะนี้เป็นงานที่ชอบทำอย่างยิ่งแล้วกับ ท, ทนทะน ไปดิ้นสะาัดแล้วก็ไปแบบกีวานี่แหะแต่ว่ า, า, วาโกรธเราปวดเขาก็พอพูดได้ไม่ไรเดินไปถึงไหนจิตกับตัวอย่าให้พาดเคลื่อนจากความเพียรผูกต่องการถอดถอนกิเลสกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจทุกเวลาให้เห็นภัยของมันเสมอทุกเอียบททุกอาการเคลื่อนไหวย่าเพ้อตัว อย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีของวิเศษในโลกนี้มันเต็มปไปด้วยโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเบอดร้อนกันไปทุกหย่อนย่าเราอยากเข้าใจว่าจุดใดแดนใดสถานที่ใดทวีปใดจะมีความสุขในโลกนี้ถ้ากิเลสดังฝังใจของตัจนจมและพ่อคูนขึ้นทุกวันทุกวันดังที่เห็นอยู่นี่แล้วเราจะหาความสุขไม่เจอแล้วไม่ต้องพูดว่า คนนั้นมีทรัพย์สมบัติมากคนนั้นมีความรู้ความฉลาดมากเวียนจบปัญญาตรดีปัญญาโทปัญญาเอกมหาบัณฑิตอะไรก็ตามอันนั้นเป็นจิริยาอาการอันนึ่งที่เสศสันต์ตั้นยอขึ้นเพื่อนคนได้นับหน้าถือตาให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเครื่องส่งเสริมอํานาจศาสนาเป็นเรื่องของกิเลสเสศสรรต์กันขึ้นหาความผิงไม่ได้ที่นี่กิเลสตัวกิเลสจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่นั่น มันอยู่ที่กิจก่อกวนคนให้รับความทุกข์ความลําบากอยู่เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะมีมีจนขนาดไหนกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่เช่นนั้นเมื่อกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่ภายในาจิตใจแล้วกิเลสเคยให้ความสุขแก่คนที่ไหน น, นอกจะให้ความทุกข์โดยลำบามากน้อยเท่าที่มีอยู่ภ า, า, ายในใจเท่านั้น หากว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทาโลกให้สุขมีความสุขทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นของอัศจรรย์ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนให้ชำนะญอดถอนหรือปราบตามกิเลสซึ่งถือว่าเป็นพิษภัยนี้ออกจากใจ น, นอกจากจะทรงสั่งสอนให้ส่งเสริมและสั่งสมกิเลสให้มางๆมากเท่านั้นนี่ไม่มีในพระคำพีของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด เราเป็นลูกจิตตะถากรทําไมจึงต้องฝืนความรู้ความเห็นความฉลาดจอมปราดทั้งคือของพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝืนไปตามกิเลสโดยไม่รู้สึกกิเลสนันเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อตอ น, นจนลืมเนื้อลืมตัวไม่เห็นว่ากิเลสนั้นเป็นภัยเลยความคิดความเห็นคําพูดคําจากิริยาการที่แสดงออกด้วยความยากยากที่นี่ใดประเภทใดไม่เคยนําสติปัญญาเข้าไป แยกแยะพิสูจน์ชั่งตวงกันบ้างพอเห็นแง่หนักเบาของการละกาันและเห็นแง่ความผิดความถูกของการละกันบ้างเลยแล้วเราจะถือว่าเราแก้กิเลสที่ตรงไหนการแก้กิเลสต้องพิสูจน์กิเลสถึงจะรู้เรื่องพิสูจน์ความคิดความตุงของตนพิสูจน์ความอยากนู้นอยากนี้อยากอะไรบ้างกิเลสมันบกพ่องอยู่เสมอตามปกติแล้วคือความบกพ่องมันถึงต้องอยากต้องหิว ตาดูไม่มีวันอิ่มพอหูฟังไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน่ายจมูกดีนกายเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีสิ่งที่อิ่มพอในายทำท่านกล่าวลงย่อๆว่ารูปเสียงกงลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นไทยท่านว่าอย่างนั้นย้อยนข้ามาถึงภิกษุเรบพระเรากับ รูปเสียงเป็นลดเครื่องสัมผัสที่ว่า น, นี้คืออะไรที่เป็นภัยอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในพระกตยประโม่ไม่มีรูปใดที่จะแล้มคมที่ทิ่มแทงได้ลึกและเจ็บแสบที่สุดได้ยิ่งกว่ารูปของฝ่ายตรงข้าพนถ้าเป็นชายก็คือรูปหญิงถ้ารูปหญิงถ้าหญิงก็คือรูปชายเสียงไม่มีเสียงใดที่จะ เสียดแทงเข้าไปถึงกั่วหัวใจยิ่งกว่าเสียงตรงกันท่าี่ยกลิน่นเนี่ยก็คือกลิน่นธรรมกลิ่นอันนั้นแหละกลิ่นของเพศนั้นแหละรอรรถอรรถของเพศนั้นแหละที่มันทําบุรุษตาฟางให้จบทํำสตรีตาฟางให้จบทําสัตว์โลกให้จบเขาถึงนี่ทํานย่นเข้ามาให้ เ, หเลยครับนี่เราเป็นนักบวชจึงควรตระหนักอันนี้ให้ดี อย่าดื่มเนื้อดืมตัวอย่าเห็นว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่มีความสุขความเจริญ เ, เป็นที่พ อ, อพอใจไร้กังวลทั้งหลายมีความอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายไม่ไมีถ้าใจยังว้าวุ่นขุนมัวอยู่และมัวสมอยู่กับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสสังสมขึ้นมาภาณาจายนี้อยู่แล้วเราจะไปโลกไหนเกิดกี่ร้อยชาติพันชาติก็ตาม ก็จะเป็นภาชนะรับรองเกลือและกองทุบอยู่ร่างไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าไม่รีบแก้ไขเขี้ยตั้งแต่บัดนี้ที่ได้รู้เหตุดูผลกันพอสมควรแล้วนะเพศของพระเป็นเพศที่ปลอดภัยที่สุดเป็นเพศที่ไม่มีใครจ้องมองไม่มีใครเห็นถือว่าเป็นพิษเป็นไทยและเป็นเพศที่มีโอกาสในการบาเพ็ญผลประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น แต่สำคัญประโยชน์ตนนั่นเป็นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องตอน้นดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์สำหรับพระองค์ไม่ทรงสนพระไทยกับผู้ใดๆทั้งนั้นแม้ตั้งแต่ทรายาตพระวงศ์ก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวข้องทรงบำเพ็ญอยู่ถึงหกพรรษาหกพันพรรษานั้น เรียกว่แทบเป็นแทบตายติดคุกติดเรางยังไม่หนักเท่าพาระพุทธเจ้าทรงตุกผลทรมาร์ตปราบ ป, ปรามกิเลสต่อสู้กับกิเลสขณะกิเลสมันมันมีกําลังมากขนาดไหนมันให้รับความให้คนรับความทุกข์ขนาดไหนปราบปรามมันด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รับความทุกข์ความลําบากขนาดไหนถ้ากิเลสเป็นสิ่งที่หลุดลอยไปได้ง่ายเหมือนสะเก็ดไม้ด้วยแล้วก็ต้องไม่มีอะไรสั่งสอนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงลำบากไม่ต้องสลบสลาย มีถ้ากฏว่าสลบสลายเป็นสามเหมือนกิเลสเหนียวไหมกิเลสเก่งไหมอุบายวิธีที่จะฝูกกิเลสนั้นก็เอาให้อย่างเต็มถุงพระพุทธเจ้าแต่ละความทุกข์ความลําบากเพราะต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับนั่งมวยแจมเปี้ยนขึ้นบนเวทีต่อยกันนั่นหละใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะมันเจ็บด้วยกันทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เจ็บก่อนที่าจะตัดรู่จนเจ็บจนสลบสลา เราเอาถือเอาหลักนี้มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องสอนใจเราอย่าเอาความคนง่วงเงาต่าตื่นดูความซโสดาดาอันหาสาระไม่ได้มาเป็นคติเครื่องนําเราปกติเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันกับสิ่งไม่ดีนั่นอยู่แล้วเลยปกติเพราะที่เหลือทาให้เปิดรักษางรค ท่านที่บำเพ็ญเป็นสารณะของพวกเราถึงขั้นบริสุทธิ์พิมุตตพุทโทธภาในใจของท่านก็ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านทานุ่มเทกำลังความสามารถลงไปอยู่ต่อสู้กับพิเรยังสุดฝีมือไม่ไม่ตายก็ให้รู้ไม่รู้ก็ตายขนาดนั้นแ่ละพิเรยมันเหนียวไหมเราพิจารณาเราจะเอากบไปสายไม้ทางต้นมันได้เรื่องอะไร ทำความเพีย็เดินจมกรมเพียงหยอกหยอกหยอยอกไปสองสามเก้าชงแง่เชงแง่เชงแง่มองดูตั้งแต่หมอนมันได้เรื่องอะรเรารู้ไหมว่ากิเลสมันปัดหัวใส่หมอนนั่นถักหัวลงาใส่ที่นอนหมอนมุงเราไม่คิดถ้าเวลาจะประกอบความพากเพียรกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะลําบากลําบนบอกเวลากิเลสเยียบย่ําทําลายอยู่ภายในจิตใจไม่มีวัน ระว่างสางสซาลงบ้างเลยนั้นไม่คิดไม่นึกเราจะหาทางถอดถอนกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่คิดไม่เนี่ยของกิเลสก็เป็นภัยถ้าคิดอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ต้องจุดจ่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอนในอเรียบทต่างๆจะมีชติจะมั่นาต่ังเกีเพราะเรื่องอันตรายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องระวังระวังอันตรายกิเลสเป็นอันตรายเป็นภัยต่อเราเราก็ต้องระวังอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งแน่นอน เราจะเห็นกิเลสหงายท้องให้เราดูวาดฟันหั่นแหลกลงไปจนไม่มีสิ่เลยเหลือเพราะอานาจแห่งความเพียรนีเป็นหลักสาคัญให้ติดตั้งละเพื่อที่เราทั้งหลายจะพึง น, นำไปพินิจเป็นนานและไปะปฏิบัติต่อกิเลสเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันอ่อนโดน น, นิ่มนวลอยากจะรู้กับมันก็ให้เวลาเข้าต่อสู้มันนั่นแหละ จะเห็นว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนเราแพ้มันทุกทีแล้วมันจะอ่อนนุ่มได้อย่างไรเมื่อมันแพ้มันทุกทีทุกทีเดินจมกรมก็แพ้มันนั่งสมาธิก็แพ้จะภาวนาท่าไหนก็ไม่พ้นที่จะแพ้มันเพราะความค้างเผลอนั่นแหละเป็นของสำคัญแั่นั่นก็ทำให้ความดกวยความขี้เกียจอ่อนแอขึ้นมาความขี้เกียจอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลส อ, อีกนะ มันมีแดเรื่องเลี่ยสวมรอยอยู่ตลอดเวลาแล้วธรรมะเราจะแทรกที่ไหนแทรกลงที่ความตั้งใจแทรกที่ความระมัดระวังให้มีสติไม่จะอยู่กับบทธรรมบทใดก็ต า, ามให้อยู่กับตัวจนเป็นสัมปะชันยะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอขึ้นมาอีเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาย่อมไม่ถูกกิเลสมาทำลาย ย่อมไม่ถูกกิเลสรบวนไม่ถูกกิเลสเยียดย่ำทำลายรักษาไปอยู่ไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงไปบาลงไ ป, ไปนี่คือวิธีการของผู้จะนําตนให้หลุดพ้นจากทุกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเป็นมัจจิมาคือท่ามกลางแห่งมรรคผลนิพพานอยู่เสมอและท่ามกลางได้แก่ความเหมาะสมแห่งการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่เสมอไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะหนอกเหนือ ไปจากมัจิมาปฏิปทาของเที่ยวได้และไม่มีจิตเดชประเภทใดที่จะไม่ตายไม่คิดหายเพราะมัจิมาปฏิปทานี้ถ้าเรานำมาใช้ให้เหมาะสมกับจุดเดประเภทนั้นๆด้วยความเอาจริงเอาจัง อ, อันนี้อธิบายจนแค่นี้ไปก่อนท่ญญานอาจัรยธิบาย